เราพิมชอบในทางใดเมอพูดเรื่องผู้นั้นพูดเรื่องนั้นขึ้นมาทําให้ใจิตใจมีความมื่นงงเพลิดเพลนเป็นธรรมดาอย่ากงกวกนักกีฬาเี่ยพูดเรื่องกีฬาวันนั่งคำนั่ต้องกินข้าวกินน้าเ ข, า, ขาก็อยู่ได้เขาสนุกเขาเอเป็นนักธรรมะก็เหมือนกันพูดธรรมะ ยิ่งพูดในวงปฏิบัติโดยเฉพาะพูดในจิตบภาวนาด้วยแล้วเพลินเพลินไปโดยลำหนับลำหนับเพลินจนลืมในเล่าเวลามีชั่วโมงแม้ด้คำหนึ่งในขณะที่สนทนากันจะมี เพียงสององค์ก็ตามสามองค์ก็ตามเป็นเรื่องให้เทลินอยู่โดยดีมีครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งส อ, งอนหลวงพมาธิรสมาบัติสติปัญญาฝึกถึงเรื่องการลักการขอดท้องพิเลสประเภทต่างๆด้วยอำนาจของสติปัญญาสัทตาความเพียรไปเป็นลำดับลำดับ ที่ทำให้มีความเพื่อเพลินเรื่องเดิงไปตามท่านแม้เจ้าของยังไม่สามารถจะรู้เห็นธรรมในส่วนใดก็ตามแต่ก็ทําให้มีความเรื่อเดิมมันเพินในความที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติและรู้เห็นมาเล่าให้เราฟังอย่างเพลินใจไม่มีวันวันและเวลาอิ่มพอท่านกล่าวไว้ในคำว่าโรสแห่งธรรมจำนะ มีลดทั้งปวงกำรนิดทั้งปวงทำมทั้งปวงนีง่หมดไม่ว่ารถชาดอันใดประการแต่ลดธรรมนี้ชนะหมดแต่รถของธรรมะไม่เลื่อนกระเสิดขนาดนั้นโลกทั้งสามข้อไม่ยอมกราบไหว้บูชาธรรมธรรมก็ไม่จัดว่ายิ่งไม่สามารถจะเป็นแสนนะั ไปเเป็นที่ยึดเป็นที่แน่ใจเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ซาใจของซาตุนทั้งหลายได้ทั้งทีชาวพุทธและซาชนีก้กระพุนทั้งหลายมีความเคารพต่อธรรมข้อพราะธรรมเป็นของประสสเสริฐสงคือเลี้ยงเกียรติศักดิ์เกียรติคุณของธรรม ที่ระเบือมาจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์และพระสงฆ์สาวกมีจำนว น, นไม่น้อยที่เป็นสาวกของพระศาสดาแต่ละองค์ทึ่มาทำมาถึงพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านผู้ที่ได้ดื่มลวดแ <c oughs> ห่งธรรมด้วยใจด้วยพระไถยแล้วนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นนะรู้เห็นนั้นมาประกาศแก่โลก จนกระทั่งปัจจุบันนี้ใช่ใช่ท่านผู้ดลเดาว่ารถแห่งธรรมชนะสิ่งรถท้หลายหรือชนะมน่ษยทั้งปวงอย่างนี้แล้วมาสอนโลกมาประกาศสอนโลกอย่างเปาเปาอะไรกันบ้างไม่ใช่อย่างนั้นเป็นท่านที่รู้รถของธรรมทั้งรู้ทั้งเห็นหจิตจับอยู่ในใจ ทำทั้งหลายได้นำความรู้ความปรากฏในรสชาติแห่งธรรมที่ประจักษ์กับใจของตนนั้นนำออกประกาศสอนโลกตามหลักความจริงที่รู้ที่เห็นแล้วอย่างไรโดยความรู้ความเห็นของตนออกเป็นจักรยุพยานในการประกาศธรรมสอนโลก ิางทีเร า, าทำบางกั่นแต่แขนนะมีความลึกซึ้งขนาดนั้นแต่การปฏิบัติธรรมตามหลักของน้าปราชญ์ทั้งหลายท่านระวังท่านระมัดระวังมากเพราะการเพราะทำไม่เหมือนโลกถ้าทำเหมือนโลกแล้วทำก็ไม่เรียกว่าทำเพราะเหมือนกัน ว่าโลกคำเดียวเท่านั้นก็พอแล้วโคงคืนไปกากับทรรมด้วยแต่ น, นี้เพราะทําทกับโลกไม่เหมือนกันแม้จะอยู่ในโลกด้วยกันอยู่ในบุคคลคนเดียวกันแทรกอยู่ในสังคมเดียวกันก็ไม่เป็นอันเดียวกันฟังแต่ว่าแทรกอยูด่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันเป็นแต่ยังอยู่ด้วยกันเถิเช่นอย่างเราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันหาบัดนี้ พระกับพระว่าอยู่ด้วยกันแต an ่ไม well ่ใช kind of <all> ่อันเดียวกันผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเด็กกับผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันถึงจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละสรรดส่วนเป็นคนละที่นาอันอยู่นั่นแหละมีเรื่องของธรรมกับเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นนักปราบผู้พันปฏิบัตินำพระศาสนามา ด้วยความสม่ำเสมอไม่แสลงหูแสลงตาของผู้นับถือพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันท่านท่านนำมาด้วยความสวยงามอย่างนี้งท่านานำมาแบบกระเทือนฝังในข้อนี้ เยียนให้ท่านทั้งหลายทราบ พ, พอเป็นคติเล็กน้อยท่านหลักท่านผู้กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมะภายในใจอยู่และอาจจะมีติมๆิอยู่บ้า ง, งภายในใจในเมื่อมีโอกาสอาจระบายออกได้หรือประกาศโฆษณาออกได้โดยไม่มีขนาดอายว่าผิดกับธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านสอนมาอย่างไรบ้าง เช่นพระอาสชิได้บรรลุเป็นพระหันทั้งองค์ในการจากวิคีทั้งห้าที่เป็นปฐมสาวกของพระพุทธเจ้าภาญาคนทัญเป็นต้นพระอาสชิ ผมเป็นปุ่ที่ห้าท่านได้บรรลุทำแล้วตอนนั้นพระอุปปิฎฐคือพระสาวิษฐสาวิษฐุบุตรของเราเนี่ยที่เป็นพระภาษาวก ข, ข้างขวาของพระพุทธเจ้าแต่แต่ก่อนท่านยังไม่ไเป็นพระษาวกท่านกําลังออกลองเพญเป็นปริภายชกไปตามประเพณีของคนสมัยนั้นเวลามาเห็นพระพระสชิจมีความ สวยงามมากด้วยปิยามายาก้าวหน้าถอยอกลับเลือกซ้ายแลขวาเป็นผู้มีอากาศริยาที่สวยงามมากจริงพอพ้นจากหมู่บ้านไปก็เรียนถามสำนักที่อยู่อาศัยอุวิชาอาจารย์ของท่านท่านก็นตอบให้ฟังอย่างเยาะเยาะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะสาจจะดาลิภูอาจารย์ของท่านสอนท่านว่าอย่างไร ทางกระบอกเป็นย่อๆของเราไม่มีความรู้อันกว้างขวางจะ แ, แสดงให้ ท, าหท่านฟังได้เพียงย่อๆเท่านั้นก็ยกเยตมาเหตุตุปภะวาขึ้นทำทนายเกิดจากเหตุเมื่อดับก็ต้องดับเหตุก่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เพียงเท่า น, นี้ท่านสาธิบุตรที่เดินปุิุพทาชก็ได้บรรลุพระโสดา ข, ขึ้นทันที ส่วนท้าสัชชิผู้เป็นอาจารย์นั้นท่านหาได้ประกาศตนไม่ว่าท่านคือพออาาระอรหันต์องค์ไม่ทราบเลยส่วนท่าสัชชิโอส่วนพระสารีบุชาทราบอาจจะทราบในขณะนั้นที่เห็นทำรรในแกะบรรุโสดาปิผลนี้ก็อาจทราบได้ในขณะนั้นเพราะโสดาปิมักโสดาปิผลนี้สามารถจะอย่างทราบ ความจริงของท่านผู้ที่มีภูมิสูงกว่าตนได้จึงสามารถสอนทำประเภทนี้ให้ตนได้บ้างเองแต่ไม่ปรากฏในตํานานว่าพระสารีบุตรพรไศาทราจากภาะสักีว่าท่านเป็นทหารอย่างนี้มั้ยเพราะพระสักคีไม่ปรากฏว่าได้แสดงตัวออกมาหรือว่าท่านไม่เป็นทาหารมีประการหนึ่ง ข้อหนึ่งเป็นเครื่องสาธกข้อที่สองก็อย่างที่นายกามนิกรามนิกที่ไปพบพระพุทธเจ้าในโรงช่างหมอกเวลาพระองค์ถามว่าจะไปไหนก็บอกว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจา้าอระพุทธเจ้าอยู่เมืองไหนบอกนู้นอยู่เมืองสาวนทงวัดถีที่ไหนไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าก็หาได้ บอกไม่ว่าเรานี่แหละคือพระพุทธเจ้านะ่ะฟังที่นปากได้ลึกขนาดไหนคือ ท, ท่านไม่บอกท่านทรงทราบเห็นผลทุก อ, อย่างแล้วว่าการบอกมีผลประการใดบ้างมีความได้เสียประการใดบ้างเมื่อบอกลบ ก, กันดูแล้วการไม่บอกมีผลประโยชน์อย่างไรบ้างท่านเลยต้องออกทํางไม่บอกดีกว่านะ่ะเลยไม่บอกมีการตามภาษาของเร า, าไม่บอกว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าทั้งทั้งที่นายกามนิทนั่น จับไปหาพระองค์ท่านอยู่พระตื่นเช้าเขาก็จับพระพุธเจ้าไปแล้วพอพอดีก็ไปเจอพระสารีบุตรโมกคันลาที่กําลังมาจับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในโลงพยาบาลก็เลยก็เลยถามกันละกับนายกามานิคนนั้นกามานิคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะไปไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ถาวัวสาทั้งสองแล้กวก็าถามว่าเมื่อผ่านเดินผ่านมานั้นน่ะได้พบใครบ้างในสถานที่ใดบ้างเขาบอกว่าได้พบสมณะองค์หนึ่งรูปหนึ่งอยู่ในโรมทางหมอะท่านเป็นผู้มีอากัศปิยาน่าขารุเรงใจมากท่านประกอบความเพียรเมื่อคืนมีทั้งขืนนะและเทศเทศนาว่าการไพอกเพราะพทีงเป็นที่จับจิตจับใจมากแต่ละรยัง ยัไม่จุใจอยากจะไปพ่อพระพุทธเจ้าอยู่ภาษาในบุตรพระโมคคัลลาก็ไม่ได้บอกว่ายังไงเลยว่านายคนนี้หาทราบไม่ม า, านั่นคือพระพุธเจ้าไม่ได้บอกอไม่บอกเพราะเหตุไรถึงไม่บอกเพราะนักประท่านเป็นอย่างไรถ้าบอกก็ควรจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าบอกมาซะ ก, ก่อ น, นจําเป็นอะไจะต้องให้นายคนนี้เขา ผ่านมาทั้งคืนทั้งวันแล้วมาจนกระทั่งถึงมาพบ ก, กันภาษาอุตมโอกคณาเป็นแต่ยังพูดกันรับหลังของนายคนนั้นตอนนั้นว่าเออไอตาบุรุษคนนี้นั้นไม่ทราบเลยว่าตนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแลยพระองท่านก็ไม่รับสา่งว่าอย่างไพูดง่ายๆทัวเพราะฉะนั้นพวกเราจรึงบอกไม่ได้นันเองนับปาท่านถึงกันทนันที ในการปฏิบัติธรรมในวงพระศาสนามีอยู่เสมอได้ยิตกวิจาร์เป็นห่วงเป็นใยทั้งๆ ท, ที่เราเพราะน้าเป็นห่วงสาหรับเราอยู่แต่ก็อดเป็นห่วงหมู่เพื่อนลอตลอุตาวตกิการคณะศรัทธาทั้งหลายในวงกว้างแคบออกไปโดยลนดแบบับไม่ได้อาจมีอยู่ได้ในลายใดลายนี้ที่จะแสดงแข็งแข็งขึ้นมาในลักษณะนีน้ซึ่งไม่ใช่ทางเดินของพุทธวิ ไม่ใช่ทางเดินของผู้ต้องการความเป็นมรนกปราดภายันโดยความเป็นธรรมการปฏิบัติธรรมแม้เราจะมุ่งต่อมรรคผลนิพพานโดยตรงจนสามารถบรรลุธรรมที่เราต้องการที่เราประสงค์นั้นคืออรหันตผลก็ตางท่านไม่ได้ติดปากพูดว่าท่านนื่ เพราะเห็นไรท่านพูดไม่พูดก็เพราะคําว่าได้สําเร็จนั้นเมื่อพูดออกมาแล้วจะเป็นอุบายวิธีอันใดบ้างที่ให้คนอื่นผู้ได้รับฟังผู้ผู้ฟังได้รับประโยชน์อะไรบ้างไม่เห็นมีอะไนอกจากจะเป็นการอวดภูมิของตนตามโลกของเขาที่ต้องการของอวดเท่านั้นไม่มีอะไรท่านจึงไม่ใช้โดยวิธีนั้น ท่านใช้วิธีการแนะนำคำสอนโดยเหตุโดยผลอันใดที่ควรสอนในแง่หนักเปามากน้อยอย่างไรท่านก็สอนไปตามภูมิของผู้มาอบรมศึกษาและตามการสถานที่บุคคลตามชั้นตามผู้ที่ควรจะอบรมศึกษาได้มากน้อยอย่างไรท่านก็พูดแตตามทหตุตามผลท่านไม่บอกท่านไม่พูดสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นของที่งามภายในจิตใจเป็นสิ่งที่กระเทือน นักบาสทายข้างพุทธการท่านถือกันท่านน้มมัดระวังกันมากเลื่อแม้ในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเป็นผู้ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าอีนีแล้วเข้าใจว่าท่านจะไม่เดินปีกจากร่องรอยนี้ไปนอกจากสมัยนักบ่าปัจจุบันนี้ซึ่งมีจำนวนมากนับทั้งผู้เทศด้วยก็ได้ว่ากำลังปีนกลิ่มอยู่เฉอๆคอยจะเลยโดยเถิดยั่ง ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าความิืวหยนภายใ น, ในใจของเราจัดมากไปนิ้วจัดมากไม่ใช่ทาถ้าเป็นจริงก็นันกังวานอยู่ภายในใจของตนนี้เกิดย้ายออกไปข้างนอกมันกระทบกระเทือนมีดที่คมเราใส่ฝักไว้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยดีทิ้งเกอนกาด ไม่ว่ามีดชนิดไหนดาบราวุธชนิดใดเป็นภัยแก่คนได้ทั้งแก่ตัวและผู้อ่ได้ถ้าเก็บไว้เรียบร้อยไม่เป็นนอกจากรับประโยชน์โดยไทยเดียวผู้ปฏิบัติตนว่าเราเองเป็นผู้สำเร็จพระโสดาพระสกิทาพระอั ง, งานาคาพระหานจันไม่มีเหตุผลที่ผู้ใดจะยินดีฟังเลย นอกจากจะคลายศรัทธาลงไปโดยลำดับลาดับๆๆแล้วเห็นกิเลสของคนคนนั้นอย่างเต็มใจอย่างน่าเบื่อน่าเอือมนะอาทท้านั้นไม่มีอ ย, อย่างอื่นที่จะเป็นผลได้แร้วฉะนั้นขอผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าเป็นผู้มุ่งต่อการทำจริงให้มุ่งต่อเหผลมากกว่าจะประกาศทำอย่างนี้ออกมาซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเป็นทางของการ น, น่าประกาศให้มแรงวันีต่อม ประกาศขายมาันรื่อยๆนั่นทางปลาเา น, น, น, น่าเป็นอย่างนี้ทานข้หูมันก็ฉุนในหูน่ะทานข้อจมูกก็ฉุนจมูกฉุนข้อใจมันทานมันกฉุนอย่านั้นถ้าทำของจริงทําไมจะฉุนทั้งๆที่เราต้องการทำของจริงอยู่แต่เวลาจริงนั่นมาผ่านทาง ม, มันฉุนน่ะเป็นอย่างนั้นนะ ต่างคนต่างมุ่งต่อต่อทําขั้นสูงแต่ประกาศมาด้ยหาเหตุท้าผลไม่ได้เป็นความอัดอั้นตันใจเป็นความหิวโหยประกาศออกมาด้วยเหตุนี้แล้วมันไม่น่าฟังเลยเจ้าของจะไม่รู้สึกตัวก็าตามคนอื่นเตือนก็ควรจะทราบถ้าเป็นผู้มุ่งอัดมุ่งทําอยู่แล้วควรจะรู้สึกตัวในขณะที่ได้ทราบแล้วพึงทั่งรวมระวังตนต่อไปวันนี้อธิบายเพียงแค่นี้ก่อนให้ท่านบรรยาน ขยายต่อไปปฏิบัติต่อไปว่าลงมากแตเดี๋ยวก็ลืมมีบอกฟังไหนมั่งขาดมีมั้ยก็ดหมฮะมีเข้าเรื่องนนะแล้วตุ๊กุ้นที่ทันจะย่อยของนาทานสมัยปัจจุบันนี้เยทานหมอกคยได้ยินแล้ว แต่ท่านพูดนะท่านอาจารย์มะคดีน Dank. นี่เพื่อพูดเรื่องเรื่องความตรงไปตรงมาตรงมาซะจนจนเป็นนิทานขึ้นมาเหมือนมนีพระไปสมัยปัจจุบันนี้นั้นไม่ใช่นานอะไรสมัยปัจจุบันส ม, ยสมยนัยท่านจันทร์นั่นเนี่ยแล้วมีพระไปไปธรรมนัธรรมไปกรรมฐ า, านด้วยกันบนภูเขา ไม่จำเป็นต้องบอกจังหวัดก็ได้บอกนภูเขาแล้วก็พอแล้วครับไปขไปภาวนาพอดีหกทุ่มเที่ยงคืนพอดีไปพิจารณาอะไรไมาสักเข้าใจว่าตนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมามือล่วงไปของยานาะ่นเปลงของยานั้นมาเปล่าไปปิดเดือด ถ้าสององค์อยู่บนเขาวิ่งมาตายเกิดเหตุอันตรายอะไรไม่ทราบเพราะไม่เคยคาดไเคยฝันว่าท่านบรรลุธรรมแล้วท่านจะปรจจุบนวิญนี่ว่าเป็นอันตรายโอ้โหพาหนะมาอย่างไม่มียับยั้งแนวมาแย่ไรแย่ไรอย่าไปแย่ไรกับผมสําเร็จแล้วมีว่าโห้ตายสําเร็จแล้วทำไมอะไรกับทำไมอรหันต์เลยอ่โอ้โหทำไมอรหันต์ก็ท่านไม่ยามพูดหรอกพระสององค์น่ะรู้สึกว่ากําลังใจหมดไปแล้วนี่นะออื ถึงยี่ว่าสำเร็จอาหารก็ตามแต่อันหนึ่งที่มันหนักมิ่งกว่านาฬมีนนะ่ะโอ้โหสำเร็จอาหารเขาเป่ามวยมันจะอัพสำเร็จอาหารขั้นไหนนะสงสัยแต่ท่านกไม่พูดล่ะแล้วท่านก็เลยกลับไปกลับไปด้วยความอ่อนใจนะั่นแหละแล้วเมื่อสําเร็จลดอาหารนั้นแล้วแล้วเป่ า, ำ า, าทำไมก็เป่าทำอย่างให้หมูพื้นเศร้าไปที่ว่าหมูเพื้นลงไปพขาคืนวันหลังอีกนะที่นี่เที่ยงคืนอีก พอดีเที่ยงคืนปารวงวีไอคันดีเนี่ยนวีกลัวกล่องยานาสเปล่าเนี่ยไม่มีร่วงวีอะไรพอนาปล่าพีดแล้วกันมันจะสำเร็จคันบ้าหรือขันไหนไอะพระสองวงเลดีคราวนี้ว่ามันจะสำเร็จคันบ้าหรือขั้นไหนกันมาถ้าไม่มาเรื่องความรับผิดชอบมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่เพราะอยู่บนเขาด้วยกันก็มาอย่างนั้นแหละข่าวหลังนี้รู้สึกจะไมีอะไรนอกไปกว่าว่าขันบ้างนั้นเทอะนะแล้วพอมาพอมาเป็นไงวันนี้สําเร็จขั้นไหนแล้วอันตรา แต่ท่านท่านท่านก็นนยังดีแล้วท่านบอกไ ม, ไม่ได้บอกว่าขั้นบ้านนะครั้นี้าเด็ดขั้นไหนแล้วไอ้เ ป, ป่า น, นู่นอยู่ขั้นนี้มันท่าเด็ดขั้นไหนมันไม่สาเร็จนี่นาวงอะไรอ่างนี้แล้วว่าจ่าเด็เป่าไมก็ท่้งกบสาเร็จก็จกยังเป่าไม่สำเร็จก็ต้องบอกหมู่เพื่อนเลย <laughs> ี่